สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอันหนึง่งขอกล่าวถึงข้อสังเกตบางอย่างเพื่อจะได้มองเห็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปชัดเจนขึ้นประการแรกเทวดาประกาศสิทธิ์หรือกำหนดเหตุการณ์หรือบรรดาชะตากรรมแก่มนุษย์โดยเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้แม้ตามปกติจะถือกันว่าเทวดามีฤทธิ์มีอำนาจเหนือความมนุษย์แต่ดังเด็กล่าวแล้วข้างต้นว่า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 เทพทั้งหลายก็เกียดกันไม่ได้เทวดาที่อยู่ตามบ้านเรือนนั้นตามปกติมนุษย์ให้เกียดและเอาใจมากแต่ถ้ามองแง่หนึ่งก็เป็นผู้อาศัยถ้าเจ้าบ้านมีคุณธรรมสูงเช่นเป็นอริยาสาวกมีความมั่นใจในคุณธรรมของตนหรือมั่นใจในธรรมตามหลักศรัทธาอย่างพระโสดาบันเทวดาก็ต้องเคารพเชื่อฟัง อยู่ในบังคับบัญชาไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจบังคับเจ้าบ้านดังเช่นเทวดาผู้อยู่ณนซุ้มประตูบ้านของอนนาทาบิณฑิกาเศรษฐีคือท่านเจ้าบ้านไม่ได้สร้างที่อยู่ให้โดยเฉพาะเมื่อท่านเศรษฐียากจนลงได้มาสั่งสอนให้เลิกถวายทานท่านเศรษฐีเห็นว่าเป็นคำแนะนำไม่ชอบธรรมถึงกับไล่ออกจากบ้านทันทีทนเทวดาหาที่อยู่ไม่ได้ในที่สุดไปหาพระอิน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 ดังเช่นเทวดาซึ่งอยู่หน้าซุ้มประตูของอนาถาบิณฑิกาเสยถทีที่ได้กล่าวถึงแล้วท่านเรียกว่าเป็นเทวดามิจฉาทิฐิบ้างเทวดาอันพานบ้างเทวดานั้นไม่พอใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเสด็จมาบ้านเสตถีเขาจะต้องลงมาที่พื้นดินรั้นเสษถียากจนลงจึงได้โอกาสเข้ามาสั่งสอนเสษฐี เพื่อยุคให้เลิกเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจะได้ผลตรงข้ามดังกล่าวแล้วเทวดาบางองค์แกล้งคนให้ระวังกันเล่นเท่านั้นเองแม้แต่พวกเทวดาตามปาเมื่อพระไปอยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมบางพวกก็ไม่พอใจเพราะคนดีมีคุณธรรมสูงกระตนเข้ามาอยู่ทำให้พวกตนอึดอัดใจทำอะไรอะไรไม่สะดวก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 มนุษย์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวอย่างสําคัญคือมารสำหรับเรื่องนี้ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าจะพูดไปตามเรื่องราวในคำภีไม่แปลความหมายทางนามธรรมมานี้เป็นเทพในสวรรค์ชั้นสูงสุดของระดับกามาวจรคือชั้นที่6ได้แก่พระนิมิตะสวัสดีแต่ชอบขัดขวางรังควานผู้อื่นเมื่อเขาจะทาความดี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 แต่ลักษณะการช่วยเหลือและเหตุที่จะช่วยเหลือต่างออกไปจากแบบก่อนคือเทวดาที่ช่วยเหลือมาช่วยเองด้วยคุณธรรมคือความดีของเทวดาเองมีใช่เพราะการเรียกร้องอ้อนวอนของมนุษย์และเทวดาก็ไม่ได้เรียกร้องต้องการหรือรอการอ้อนวอนนั้นทั้งฝ่ายมนุษย์ผู้ได้รับความช่วยเหลือก็ทำความดีไปตามปกติธรรมดา ด้วยคุณธรรมและความสำนึกเหตุผลของเขาเองมิได้คำนึงว่าจะมีใครมาช่วยเหลือหรือไม่และมิได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือใดๆส่วนตัวกลางคือเหตุให้มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นก็คือความดีหรือการทำความดีของมนุษย์ไม่ใช่การเรียกร้องอ้อนวอนหรืออาิสสินวอนใดๆเทวดาองค์เด่น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 แต่ก็เป็นคติที่วิวัตรเข้าสู่ความเป็นพุทธถึงขั้นที่ยอมรับเป็นพุทธได้การช่วยและการแกล้งของพระอินดูบันทึกพิเศษท้ายบทสาระสำคัญของคตินี้ก็คือมนุษย์ที่ดีย่อมทำความดีไปตามเหตุผลสามัญของมนุษย์เองและทาอย่างมั่นคงแน่วแน่เต็มสติปัญญาจนสุดความสามารถของตน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 ควรว่าการเพียรพยายามทำดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์การช่วยเหลือคนทำดีเป็นคุณธรรมของสวรรค์แต่ใช้คำว่าหน้าที่เพราะฟังง่ายและกำชับการปฏิบัติมากกว่าสภาพปัจจุบันน่าสังเกตว่ามนุษย์ในบัดนี้ดูเหมือนจะหนักในการอ้อนวอนมากถ้าเพียรพยายามก่อนจึงอ้อนวอนก็พอทำเนาแต่ที่มีมาก กลับเป็นว่าตนไม่ได้ภาคเพียรอะไรก็ไปบวงสรวงอ้อนวอนเทวดาส่วนเทวดาเล่าก็รอการอ้อนวอนก่อนจึงมาและใครอ้อนวอนก็มาช่วยคนนั้นไม่ต้องคำนึงว่าเขาทำดีหรือไม่ที่จะทดลองทดสอบความดีก่อนเป็นอันไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นอย่างนี้ลองมาทายกันว่าเทวดาที่ลงมาจะเป็นเทวดาแบบไหนหนาเกรงไม่ว่า เทวดาไฝลาบและเทวดาสวมรอยจะมากันมากหรือไม่ก็เทวดาใจอ่อนที่มัวมาคลุกคลุยกับมนุษย์จนพาเสียไปด้วยกันถ้ามนุษย์ไม่เพียรทำดีมัวแต่อ้อนวอนเทวดาและถ้าเทวดาไม่ใส่ใจช่วยคนทำดีมัวแต่รอการอ้อนวอนหรือคอยช่วยคนที่อ้อนวอนก็คือเป็นผู้ทำผิดต่อหน้าที่ เมื่อมนุษย์และเทวดาต่างขาดคุณธรรมปฏิบัติผิดหน้าที่ก็จะประสบความหายนะไปด้วยกันตามกฎธรรมดาที่ควบคุมทั้งมนุษย์และสวรรค์อยู่อีกชั้นหนึ่ง